ได้ดินหลวงตาบอกว่าให้เดินอ่ะคือไม่ไม่รู้ว่านั่งสมาธิหรืออะไรได้มักหรือเปล่าแล้วการเดินเดินจงกรมใช่ไหมคะการนั่งสมาธิคือเดินตามความพอใจของเราแต่ถ้าเราอยากนั่งเราก็นั่งใช่ไหมคะแต่ว่าหมายถึงคือคือยังไม่รู้รูปแบบที่ของหลวงตาทำอะค่ะว่ามีนั่งมีเดินแล้วเดินเดินตามปกติของเรานี่แน่ค่ะแล้วตตามปกิถ้าเราอยากนั่งนะ แล้วก็เ <ơn> ดินตามปกติของเราเ <Đ ơn S 1> ดิน<ด>เหมือนในชีวิ ต, วตประจําวันก็คือให้อเห็นจรีงยมันคิดนึกตรึงตอมปรุงแต่งแล้วก็ละไปเรื่อยแต่อย่าเอาตัวเราเนี่ยหลงไปปรุงแตง<ห>่งอย่าเอาตัวเราไปคิดนึกตรึงตอมปรุงแต่งแต่ให้เห็นตัวเราที่คิดนึกตรึงตอมปรุงแต่งแล้วก็ปล่อยวางตัวเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่นี้ถ้าเมื่อเราเดินเราบอกว่าอยากจะไปนั่งแต่ถ้านั่งเนี่ยเรารู้สึกตัวปล่อยวางตัวเราที่คิดนึกตรึงตอมปรุงแต่งปล่อยวางตัวเราที่คิดนึกตรึงตอมปรุงแต่ง่ เรานั่งเราก็สามารถปล่อยวางได้เราก็นั่งอ uh oh. แต่ถ้านั่งแล้วนั่งหลับอย่านั่ง uh oh. ค่ะอให้เดินเพราะส่วนใหญ่นั่งแล้วมันนั่งหลับไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะมันอย่างเงี้ยมันเสียเวลาเปล่า uh oh. ให้เดินถ้านั่งแล้วนั่งหลับให้ลุกไปเดินเอาน้ําเย็นล้างหน้าแล้วก็เดินเนี่ยมันโล่ๆอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. แล้วก็เดินแล้วเดินอะไรเพื่อปล่อยวางตัวเราที่มันคิดนั่นคือตอมปรุงแตง่งตัวเราที่คิดนั่นคือตอมปรุงแตง่งแต่อย่าเอาตัวเราหลงเอาตัวเราไปคิดนั่นคือตอมปรุงแต่งปล่อยวางตัวเราที่คิดนั่นคือตอมปรุงแตง่งเรื่อยไปยเี ถ้าเรานั่งหลับนั่งแล้วเนี่ยเราไม่หลับเราสามารถปล่อยวางตัวเราในตลอดเวลาที่กินอะไตออประแต่งเนี่ยให้นั่งก็ได้ <uto mejor> แต่ถ้านั่งแล้วหลับอย่านั่งให้เดินอ๋อโอเคค่อเนี้อย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะโอ้ถ้าทําอย่างนี้เราจะป่องใสสว่างสวยทุกคนเลยเนะนี่ยจะทำนะอย่างนี้ได้นะอี๋าลืมตาว่าเนี่ยได้ได้เจ้าค่ะนะอย่างไอตุลไอหนูเนี่ยตัวน้นอยๆงเงี้ยเอาเดินเข้าอย่าไปนั่งอย่าไปนั่นนะทําความเพียรก็อย่าเอาไปหลับอย่างเดียว ใครที่อายุ น, น้อยยังไม่มากเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกเราจะมีเวลานอนอีกเอาให้ทาความเพียรเนยอะให้เห็นตัวเราปรุงแต่งป่อยวางตัวเราที่ปุงคิดถึงตอนปรุงแต่งแต่อย่าเอาตัวเราไปคิดปรุงแต่งเข้าใจเนาะเอาใครไม่เข้าใจยกมืออ่ะนะมีไหมใครไม่เข้าใจทําความเพียรอย่างนี้นะไอต่อเนื่องไม่ขาดสายอ๋อ สุดที่มีใครไม่เข้าใจเอ๊เอ๊ะเ อ, เอชื่ออะไรวะที่พิงเสานะ่ะที่นั่นอนะ่ะตัวเราอ่ะนะหงตาเห็นแล้วที่เวลาเรานั่งเนี่ยนะเราเอาตัวเราไปรู้นะเร า, เาตัวรู้เราเอาเราเอาตัวเราไปรู้เนี่ยเราเนี่ยปฏิบัติแบบเอาตัวเราไปรู้โทโทัศน์แต่ไม่ได้ปล่อยวางตัวเราผู้ดูโทโทัศน์เนี่ยเราเห็นแล้วทาเวลาเนี่ยรู้อะไรเนี่ยเอาตัวเราไปรู้ <Jub ilee> แต่ไม่ได้ปล่อยวางตัวเราผรู้รู้ไม่เหมือนกันนะฟ้ากับดินเลยอ่ะถ้าเราเอาตัวเราไปรู้เนี่ยรู้อาการรู้สภาวะอะไรเหมือนกับเราเป็นไออาการสภาวะเหมือนกัตัวทัศน์แล้วเราเนี่ยเอาตัวเราไปรู้ตัวทัศน์เนี่ยอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยเป็นคนทุกข์ให้ปล่อยวางตัวเราผู้ดูโททัศน์ไอตัวเราผู้ดูทัศน์มันจะคิดนั่นคตอปุุงแต่งตลอดเวลาเนี่ยเราปล่อยวางตัวเราเรื่อยไปเข้าใจไหมเนี่ยเนี่ยอืม ไม่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยนี่แหละเราว่าแล้วผะว่ามันเคยคนเราจะปฏิบัติคนเรล่านี้มันใช้ชีวิตมันเคยคือมันจะเอาตัวเราไปมองข้างหน้าแต่มันไม่มองตัวเราข้างหลังมันจะเอาตัวเราไปมองแต่ข้างหน้าไม่มองตัวเราข้างหลังไม่เห็นตัวเราระหว่างตัวเราที่เราเห็นแล้วก็ปฏิบัตินั่นงเอาตัวเราไปรู้อาการแต่ไม่ได้ปล่อยวางตัวเราผู้รู้อาการเอ๊ะจะพูดยังไงดีวะ อันนี้ก็ตรงไปตรงมาใครพอเข้าใจที่ายช่วยเราอธิบายเสริมแบบนด้ที่นั่งฟังเนี่ยเอาเอาไหมให้หน่อยถ้าที่ผมเข้าใจนะก็คือเป็นการถอยการรู้แต่ในโน้ตนะฟังฟังเขาเนี่ยอะเป็นการเป็นการถอยการรู้จากที่ว่าเรารู้ออกไปตรงนั้นเนี่ยเรามาหาเราก็มารู้ว่าสิ่คนที่ผู้รู้เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ดูดูอาการว่าผู้รู้เนี่ยเป็นยังไงไปเรื่อยๆนะ ถอยอยการรู้แต่นี่จะไปอยู่ที่ปลายทางอย่างที่หลวงตาพูดว่าดูทีวีอ่ะทีวีมันเป็นสิ่งที่เรารู้มันแต่เราไม่มาดูตัวเราเองเราถอยถอยลงมาถอยการรู้ลงมาที่มารู้ตัวเราว่าเรากําลังไปรู้อันนูนอยู่ไม่ทราบเจ้าแค่หลวงตาแ น, นแม่ดำถอยครับเข้าใจมไหมเขาพูดอ่ะไม่เข้าใจอเปลี่ยนคนใหม่ก็ได้อ้าวเนี่ยเนีเขายกมือเนี่ย พูดให้เข้าใจหน่อยสิตังใจฟังตามที่ตัวเองเข้าใจนะคะก็ให้รู้เฉยๆรู้ซื่อๆอเหมือนกบบว่าเอดูแล้วก็สักแต่ว่าดูแต่ก็เข้าใจมันนะแล้วค่อให้จบจบไปเป็นเป็นเรื่องๆอเหมือนเหมืๆโยมก็ดูทีวีนะโยมก็ไม่ได้ไปอไปอินกับมันมากมายอ่ะก็ดูก็เล่นได้อะไรได้แต่เราไม่ได้มีอารมณ์อะไรกับมันอ่ะ ที่ดูที่ดูอะไรทุกทุกอย่างะนะฮะดูสักแต่ว่าดูสักแต่ว่าดูค่ะเหมือนเหมือนเล่นลายอย่างงี้ฮะยมก็เล่นลายนะเล่นไปเหมือนกับเล่นตามหน้าที่ไปอย่างนั้นอะยมก็รู้ว่ายมทำอะไรอยู่รู้แบบซื่อ นันโยมก็เข้าใจว่าโยมจะปฏิบัติโดยที่เราจะไม่เอาเขาเรียกอะไรฮะอารมณ์อ่ะอารมณ์กับสิ่งต่างๆเหมือนทำงานก็เหมือนกันทำก็ทำหน้าที่แบบรู้ซื่อว่าเราได้ทำแบบนี้แบบนี้ล่ะไม่รู้โยมจะเข้าใจถูกหรือเปล่าเดี๋ยวยังสงสัยอยู่แค่คุณ อย่ามึบแบบเรารู้ลายรู้รู้ลายซื่อซื่อดูลายดูดูดูอะไรก็เวลาไปเจอใครก็รู้ซื่อซื่อรู้เขาซื่อซื่อใช่ไหมคือคือเข้าใจอยู่เนี่ยในเหตุการณ์ว่าทําอะไรอย่างไรแต่ก็ไม่ได้ไปมีอารมณ์รับเขาเรียกไงฮไม่ไม่มีอารมณ์กับมันอ่ะเอเข้าใจเข้าใจไม่ไมมีอารมณ์ต่อสิ่งนั้นค่ะบางคนเขาก็พูดอะไรกับเราแรงๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มีอารมณ์อะไรแต่ก็รับรู้รับทราบว่ามันเป็นอย่างนั้นเองแล้วก็ไม่รู้ตัวเราสิ เนี่ยเนี่ยไม่รู้ตัวเราอันนี้อันนี้ก็ยังผิดนะเนี่ยคือไม่รู้ตัวเราตัวทเอาตัวเราไปรู้ซื่อๆตัวทีมันต้องรู้ที่รู้ตัวเราแต่นี่เอาตัวเราไปรู้ซื่อๆเข้าใจไหมเนี่ยสรุปแล้วตัวเรารู้เหรอฮะสรุปแล้วนี่โยมรู้รู้ตัวตัวเองเอาตัวเราเนี่ยไปรู้ซื่อๆแต่ไม่ได้รู้ตัวเราซื่อๆอ๋อเอาตัวเราไปรู้เรื่องเออเออแต่ไม่ได้รู้รู้เรื่องของตัวเรา เอาเอาตัวเราไปรู้แต่เราไม่รู้ตัวเราใช่ใช่แล้วจะยุบแค่ยังไงล่ะคะเอา็มามรู้เรื่องของตัวเราก็จบแล้วก็มารู้เรื่องของตัวเราซื่อๆมีมีคนนึงเนี่ยเขาเรียนด็อกเตอร์ทางพุทธศาสนาและปัจญาด้วยเขาก็อยากจะมาสนทนาตามกับหลวงตาอ้าวมาก็มาสนทนาธรรม มาถึงเนี่ยเขามาพูดได้หลวงตาฟังสองชั่วโมงไหมหลวงตาพูดเลยไม่แต่คําเดียวเขาจะมาสนทนาธรรมแต่ก็พูดไม่หยุดเลยพูดอะไรเขาก็พูดว่าเอ้าเนี่ยหยิบอันนี้มาอาจารย์ว่านี้มันสั้นหรือยาวเราบอกมันสั้นถ้าบอกว่ามันสั้นใช่ไหมเขาก็เอาไอ้การไปขิดสั้นๆเล็กๆมาเทียบอ้าเห็นไหมยาวถ้าบอกว่าอันเนี้ยมันยาว เขาก็เอาหน่วยเอามาวัดเนี่ยออกสอมาวัดเต็มก็ย่าไอเด็กก็สั้นไปแล้วเอ๊เล่นอะไรกูไม่รันไม่จำสนทําอะไรวะเนี่ยอะไรก็ว่าแต่ก็ทํำอย่างเงี้ยตั้สองชั่วโมงทําอะไรแล้วแบบนี้เราตระหนักปัญญาปัญญาอะไรเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็อ้าวอาจารย์ผมพูดจบมาแล้วเดี๋ยวผมจะกลับแล้วอาจารย์มีอะไรแนะนํำไหมโอ้โหพูดตั้งเกือบสองชั่วโมงเราไม่ได้พูดเลยแล้วก็พูดเสร็จแล้วจะกลับแล้วบอกว่าอาจารย์มีอะไรแนะนำหน่อยไหม ผมจะกลับแล้วเออคุณรู้เรื่องเลยมันเยอะมากเลยเ่รู้ทุกอย่างเลยเราขอบคุณมากเลยที่มาช่วยเอาเอาความรู้มาต่อเรามาบอกเราเราได้รับความรู้อะไรเยอะเลยแต่ถ้าจะให้บอกนะจะให้แนะนําเนี่ยเอาเอาข้อเดียวกันให้รู้จักตัวเองก็แล้วกันให้รู้ตัวเองแล้วก็ให้รู้ใจของตัวเองแล้วก็กลับมาหาเราใหม่ว่าท่านมีความรู้เกี่ยวกับใจของท่านอย่างไง รู้เกี่ยวกับจิตใจของท่านยังไงแล้วท่านกลับมาบอกอะไจริงเพราะว่าไอ้ที่ท่านรู้เนี่ยมาลุนนอกเอาตัวเราเนี่ยไปรู้เอาตัวเราไปเรียนรู้ทุกอย่างเลยปัจฉญาพุทธศาสนาด็อกเตอร์แต่ท่านไม่รู้อยู่อย่างเดียวทุกอย่างรู้หมดไม่รู้จิตใจตนเองวันหลังมาหาอาจารย์ปวดหัวมากเลยอ้าวทำไมอะ่ะ โอ้โหผมเพิรู้ว่าผมเนี่ยคิดไม่หยุดเลยผมเพิ่งรู้ว่าผมเนี่ยคิดไม่หยุดเลยมันไม่หยุดคิดเลยนอนไม่หลับเลยปวดหัวไปหมดเลยอ้าวเราว่าแล้วเนี่ไงเจ้าเรารู้แต่เอาแต่ตัวเองอะไปรู้อย่างอื่นแจะไม่รู้ตัวเองเห็นไหมเนี่ยพอรู้ตัวเองอะไรนอนไม่หลับเลยตอนนี้เพิ่งรู้ว่าตัวเองมันคิดมากจริงๆเลยเนี่ยเอ้ามันจะไม่คิดมากก็ท่านพูดมากแล้วเกิดเหลืองก็ต้องคิดมากแน่นอนอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยให้รู้จักตัวเอง รู้เรื่องของตัวเองแต่เราเนี่ยไปรู้เรื่องอื่นไม่เหมือนกันน ะ, นะสงสัยไหมรู้ตัวเองมารู้ว่าเราเป็นอย่างนี้หรือเล ะ, ะ hmm? รู้ตัวเองว่าเรามีมนิสัยแบบนี้ที่บอ่บอพ่ อ, อไม่ใช่ไ ม, ไม่รู้เลย่องนสนี้ในใจของท่านเนี่ยตาเนี่ ย, ยมองเห็นลงตา ใช่ไหมตาก็มองเห็นลงตาหูก็ดียินเสียงลงตาพูดแต่ถ้าท่านรู้แต่ลงตาเนี่ยเรียกว่าเอาตัวท่านนมาลูลงตาแต่ถ้ารู้จักตนเองคือตามองเห็นลงตาก็มองเห็นอยู่หูก็รู้ว่าลงตาพูดว่าอะไรก็คุยกันรู้เรื่องแต่สําคัญที่สุดรู้ว่าในใจของเราเนี่ยพูดแข่งกับลงตาไว้ยอย่างไรในใจของเราเนี่ยพูดแข่งกับลงตาไว้ยอย่างไง พูดแสกซ้อนว่าอย่างไงไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่พูดแสกสอนไม่คิดแสกซอนสังเกตให้ดีอันนั่นแหละคือรู้จักตนเองเห็นไหมตัวข้างในที่คิดอยู่นั่นแหละแล้วก็รู้ตัวข้างในซื่อๆไม่ใช่ว่ามารู้หลวงตาซื่อๆ แล้วรู้ตัวข้างในที่คิดอยู่แล้วเราจะได้อะไรเมื่อกี้ที่พูดว่าข้างในมันคิดอยู่อะค่ะแล้วก็รู้มันซื่อรู้ซื่อคือไม่ต้องไปคิดอะไรบอมันคิดอะไรเรารู้มันซื่อไม่ใช่ ว, ว่ารู้ซื่อแล้วไม่ต้องคิดอะไรโ อ, โอเครู้รู้ว่ายังคิดถึงเรื่องที่หลวงตาพูดอยู่โ อ, โ, อโอเค แน่ๆก็คิดเรื่องนี้ <c oughs> เรต า, า, <c oughs> าพูดแต่มันคิดอยู่ในใจ <c oughs> ใช่ใช่แล้วก็รู้ความคิดซื่อแต่ไม่ใช่ว่ารู้ซื่อคือไม่ให้มันคิดอะไรอรู้เฉยๆว่ามันคิดอะไรเออใช่ใช่ใช่เข้าใจแล้วก็อยู่กับรู้นั่นแ่ละที่เราใช้คำว่ารู้เฉยๆอยู่กับรู้นั้นแหละแล้วะจะทิ้งรู้นั้นตลอดไป <c oughs> และอย่ารู้อย่างให้รู้ตัวเรารู้เนี่ยภายในใจเราคิดอะไรซื่อๆอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะ จะเห็นอะไรได้ยินอะไรจะสัมผัสอะไรให้รู้ข้างในอ่ะมันคิดอะไรซื่อๆ อ, อ, อยู่ตลอดเวลาอยู่กับรู้เนี่ยแหละรู้ซื่อๆรู้ตัวซื่อเนี่ยคือสติปัญญารู้ซื่อๆเนี่นเนี่ยคือปล่อยวางาค่ะเจ้าค่ะเอาให้กับใจนะเดี๋ยวบอกว่าอยู่ตั้งคืนแต่ไปปฏิบัติผิดตั้งคืน เอาให้เข้าใจใครไม่เข้าใจบ้างเอาเอนีอ่หน่ อ, อ, อว่าเวทนาที่เกิดก็ททำเหมือนกับที่อาจารย์บอกนี้ใช่ไหมฮะเป็นยังไงก็คือรู้ซื่อคือบอกว่าพอมันมีอาการอย่างไรก็คิดอย่างไรกับมันแล้วก็รู้ที่ว่ามันคิดว่ามันคิดว่าอย่างไงว่าไอาอาการที่มันเกิดขึ้นอะใช่ไหมฮะไม่ไม่ใช่ไปรู้เวทนาซื่อๆนะ รู้พอพ อ, พอเราคิดอะไรกับเวทนานัเนี่ะมันคิดอะไรในใจเราก็รู้ความคิดเนี่ยรู้จิตที่มันคิดซื่อๆอ่าค่ะค่ะใช่ค่ะอืใช่เพราะว่าเวทนาเนี่ยมันรู้ตัวมันเองไม่ได้แต่เราอ่ะเป็นคนไปรู้เวทนา <ฤะ S 2> พอเราไปรู้เ<ช> <ๆ S 2> วทนาเราเนี่ยพูดอะไรอยู่ในใจคิดอะไรอยู่ในใจเราก็รู้เนี่ยตัวเราเนี่ยคิดอะไรพูดอะไรในใจซื่อๆค่ะค่ะเข้าใจนะคะถ้าอย่างนี้ถ้าเราไปรู้ว่าตัวเราเนี่ยคิดอะไรพูดอะไรซื่อๆนะเวทนาไม่มีความหมายเลยหายไปเลย เวทนาที่เป็นอยู่หายทันทีเลยแต่นี้โอ้นึกว่าหายไปแล้วนั่นเนี่ยสวีเนี่ยเอากลับมาจี้ใส่เวทนาอีกไม่เห็นจิตสักทีเลยอืเข้าใจอย่างนนี้เข้าใจแน่นอนนะเออแน่นอนให้เห็นจิตนะเห็นจิตไปลวานจิตที่มันพูดไม่หยุดคิดไม่หยุดอย่าไปสนใจเวทนาเออให้อาศัยเวทนาได้เป็นเครื่องล่อไว้แม่เรากุ้มซ่าน ผมมีเวทนาอยู่เงี้ยเราก็ไม่ฟุ้งซ่านเพราะว่าอาศัยเวทนาไปเครื่องรู้มันก็เห็นจิตในข้างในพูดมัาอยู่เลยตอนนี้เราก็จะไม่ฟุ้งซ่านทำฟุ้งซ่านไม่เห็นอะไม่เห็นจิตผมไปคิดฟุ้งซ่านซะถ้าเราเนี่ยมัไปฟุ้งซ่านเนี่ยเราลมหายใจเป็นเครื่องรอไว้ก็ได้แต่สังเกตเห็นว่าตัวเราเนี่ยผู้รู้ลมหายใจเดี่ยวไปคิดอะไรอย่างพวกเนี้ยเขาก็นั่งดูลมหายใจอ ย, อย่างเนี้ย พัชรหัสจริงๆนะมันสามารถฝึกไปได้เลยคือเอาลมหายใจไปเครื่องล่อแล้วสังเกตดูว่าตัวเราผู้รู้ลมหายใจเนี่ยคิดอะไรอยู่ในใจแล้วก็สามารถรู้ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยอย่างเงี้ยโดยไม่ต้องไปสนใจลมหายใจไม่ต้องไปสนใจกายเบาใจเบาปิติสุชาตสุชาไม่ต้องไปสนใจเวทนาเลยคือสนใจสังเกตแต่เพียงว่าไอตัวเราเนี่ยผู้รู้ลมหายใจเขาออกอะมันคิดอะไรอยู่ยในใจแล้วก็ แค่รู้นะแค่รู้สักตะวัรู้หรือรู้ซื่อๆตัวรู้ซื่อๆไอ้ตัวเราพูดที่ที่คิดอะไรอยู่ในใจตลอดเวลาที่ที่ไปรู้ลมหายใจอ่ะอย่างเนี้ยก็จะฝากฝึกรู้ไปเลยฝึกรู้ไปเลยทันทีก็จะข้ามขั้นตอนไปเลยอย่างวันเนี่ยเขากําลังกำลังรู้ลมหายใจอย่างเงี้ยรู้ลมหายใจเขาออกเนี่ยกายเบาใจเบาเนี่ยเขาก็ากายเบาใจเบาแต่มันจะไม่สนใจกายเบาใจเบาอย่าไปสนใจกับลมหายใจเขาออกเพราะว่าอาศัยไปเครื่องระลึกรู้ แต่สังเกตตัวเราเนี่ยผู้ไปรู้ลมหายใจเนี่ยมันพูดอะไรไม่หยุดมันพุทธุทธพุทธพุทธแล้วก็สักแต่ว่ารู้เขาไม่ทิ้งรู้เลยรู้ซื่อซื่อรู้ซื่อซื่อตัวเราผู้รู้ลมหายใจเนี่ยมันคิดติดตัวตอมปรุงแต่งตลอดเวลารู้ตัวเราซื่อซื่อตัวเราก็คือจิตที่มันคิดตึดตอมปรุงแต่งเนี่ยแน่ที่มันไปรู้ลมหายใจเข้าออกนี่แน่ตัวเราเนี่ยแนะตัวเราไม่ใช่ตัวเราเป็นเป็นตัวเป็นก้อนเป็นตัวอย่างนี้หรอคือจิตนั่นแหลตัวเราคือจิตที่ไปรู้ไปรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็สักแต่ว่ารู้จิต ที่มันไปรู้รลมันใจก็ออกมันก็จะคิดก็สัตว์ปรารู้จิตเห็นจิตตอนนี้ก็สัตว์เห็จิตแล้วจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลในจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรจพ์ผจับทุกข์จับทุกข์ได้จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือจิตก็คือจิตผู้รู้นั่นเองจิตผู้รู้ผู้คิดผู้รู้ผู้คิดผู้รู้ผู้คิดนั่นเองอย่าส่งจิตออกนอกไปรู้ไปรู้ข้างนอกนะอย่าไปรู้ข้างนอกซื่อๆให้รู้จิตซื่อๆ รู้จิตซื่อซื่อรู้ซื่อือรู้จิตซื่อซื่อจิตเป็นอย่างไรรู้ไปอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้อย่าอยากให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนั้นอย่าอยากให้เป็นอย่างนี้ท่านว่าอย่างนี้มันเป็นกิเลสเป็นทางตรงข้ามปานิพานอย่าดำเนินทางนี้เป็นเด็ดขาดให้รู้ซื่อซื่อรู้จิตซื่อซื่อรู้ซื่อซื่อรู้จิตซื่อซือทุกขณะปัจจุบันรู้ซื่อซื่อทีไน คือมารู้ซื่อๆนี่แหละคือทางแห่งพันนิพานรู้ซื่อๆนี่นแหละคือสติปัญญารู้ซื่อๆก็คือรู้จิตซื่อๆไม่ใช่ว่าเอาตัวเราเนี่ยไปรู้เขาซื่อๆไปรู้โทรศัพท์เล่นลายแล้วก็เล่นลายซื่อ ๆ, ๆอย่างนี้ไม่ใช่รู้ตัวเราผู้เล่นลายซื่อๆมันคิดอะไรก็นล่ะเล่นไลน์มันคิดตกแต่งว่าอะไรอย่างเนี้ยแล้วเราเราไปเห็นเขาไม่ใช่ปะเอาตัวเราไปเห็นเขาซื่อ ใจเรารู้จิตเราเนี่ยเวลาเอาเห็นเขาเขาเอาเขามาคิดวิเคราะห์วิจารณวิจัยวิพาควิจารณ์ในใจเราก็ยังไงจิตเนี่ยแล้วเราก็รู้จิตของเราเนี่ยซื่อซื่อรู้ซื่อซื่อคืออย่าไปดับเขานั้นแล้วอย่าหลงไปกับเขาเอรู้ซื่อซื่ออย่าปล่อยให้จิตเราเนี่ยมันดูดล็อกเข้าไปได้ไปมีอารมณ์ร่วมได้แล้วอย่าไปไล่ดับเขาทั้งไม่ดูดทั้งไม่ผักแค่รู้อยู่ที่ใจทั้งไม่ดูดไม่ผักแค่รู้อยู่ที่ใจ รู้ซื่อๆืรู้จิตซื่อืรู้ขนาดปัจจุบั น, นอา่ายไม่เข้าใจอ่ยกมือแล้วอา่าใหม่แฝบไหม่ตรนี้ใบไม่ให้เขาใหม่หมกาบนมาสการ์ an, ค่ะคือจะไม่เคยปฏิบัติแบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เข้าคอร์สนี้นะคะแต่ก่อนหน้านั้นเคยฝึกแบบ 5้านาทีสิบนาทีก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำจากพระอาจารย์นิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเรากำหนดลมหายใจพุโทโธแล้วก็ถ้าจิตเราฟุ้งออกไปเราก็หยุดไม่คิดต่อแบบนี้ถือว่าเป็นการเจริญสติที ท, ทีเริ่มต้นที่ถูกต้องไหมเราที่พระอาจารย์บอกว่า จิตดูจิตอะไรอย่างเงี้ยคือสําหรับคนที่เริ่มต้นควรจะยังไงไม่มีเริ่มต้นไม่มีปลายไม่มีอะไรหล่าไม่แต่ปัจจุบันเนี่ยคือไอ้ตัวเราผู้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเดินพุทโธอยู่ทั้งคืนเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้ไอ้ตัวเราผู้พุทเธอนะสะเก็ดได้ปรด็นีว่ามันยังคิดอะไรอยู่ในใจตลอดเวลาเลยไอซ้อนตลอดเวลาแล้วก็สับตะวันรู้ซื่อไอตัวเราผู้บริกรรมพุทโธเนี่ยรู้ซื่อตัวเราผู้บริกรรมพุทโธมันจะคิดอยู่ตลอดเวลา เราจะคิดแล้วก so? exactly well, ็แล้วก็พุทโธพุโธพุทโธพุโธพุทโธล่อไว้แล้วก็รู้ตัวเราผู้บริการพุทโธเนี่ยมันจะต้องคิดตอนอะอยู่อยูตลอดเวลาเลยตัวเราผู้รู้คําบริการพุทโธนะตัวเราผู้รู้บริการพุทโธมันจะคิดตอนอยู่ตลอดเวลาตัวจริงไอ้ตัวเราผู้รู้บริการพุทโธมันไม่ใช่ตัวเราทั้งตัวหราจิตผู้ไปรู้คําบริการมพุทโธมันจะต้องรู้ต้องคิดต้องรู้ต้องคิดต้องรู้ต้องคิดตลอดเวลาเลยแล้วก็สัตวตะวัรู้สัตตวรู้จิตปัจจุบัน แต่กบบริกรรมพุโทโธเป็นตัวล่ อ, อไว้เพื่อไม่ให้พุทซ่านไปไหนใช่ค่ะเข้าใจไหมคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราพุโทโธพุโทโธเสร็จปุป๊บเราวจิตก็ออกก็ดึงกลับมาที่คำว่าพุโทโธแล้วก็ดูลงหายใจที่ปลายจมูกแบบนี้เป็นตัว อ, อุบา ย, ยาได้ไหมเอ่ยมตัวมันขาดสิให้ความรู้สึกตัวมันอยู่กับบริกรรมพุทโธไว้อย่าให้มันขาดอมันจะคิดอะไรช่างเขานะจิตจะคิดอะไรเราได้แค่แค่ตับตาวรู้แล้วก็รู้วยังมีความรู้สึกตัวอยู่ความรู้สึกตัวอยู่คําบริกรรมพุทโธไม่ขาด จิตมันจะคิดอะไรอ ย, ไไไอย่าไปไล่ดับเขาอย่าไปไล่ดับเขาอย่าไปไล่ดึงไปดึงมาขออย่างเดียวขอใ ห, ให้ความรู้สึกตัวอยู่คำบริการพุโทโธไม่ขาดจิตก็จะคิดอย่างไรเป็นเรื่องของจิตไม่เกี่ยวกับเราเลยเรามีหน้าที่รู้สึกตัวอย่างเดียวอยู่กับคำบริการพุโทโธเคยเคยได้ยินคําพูดมาบอกว่าถ้าจิตส่งออกนอกก็ให้ตัดแบบนี้ถูกหรือผิด ถ้าเจ็บตัวขนอกหมายถึงว่าความรู้สึกตัวขาดแล้วเราก็เมือเบอร์เปอไม่คิดอะไรมันโดยไม่รู้สึกตัวเลยตต่เนี้ยไอ้อย่างเนี้ต้องตัดคือตัดกลับไปถึงว่าให้ตัดกลับเพื่อให้มันรู้สึกตัวกลับมาถ้ารู้สึกตัวแล้วก็สังเกตดูว่าไอ้ตัวผู้รู้สึกตัวเนี่ยมันพูดได้คิดได้ตอบพวกแตะได้ก็สักตะวันรู้ที่ไอ้ตัวผู้รู้สึกตัวนี่แหละเข้าใจป่ะ เดีย๋ยวต้องลองทําดูค่ะคือ ม, มันมีสองขั้นตอนนะเออมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกคือพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธด้วยความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าแล้วเราก็มีสติคอยสังเกตตลอดเวลานะเนี่ยมีสติสังเกตตลอดเวลาว่ายังพุทโธอยู่ด้วยความรู้สึกตัวคือสติสัมปชัญญะมันต้องคู่ขันตลอดคือสัมปชัญญะเนี่ยคือมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่กับคำวิธีการพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วสติเนี่ยเป็นตัวสังเกตไว้เป็นตัวบู่่กัันียยยงอ คำบริกรรมพุทโธไหมเราก็มีสติเป็นตัวกํากับไว้มีความรู้สึกตัวเป็นเชือกอยู่กับคำบริการมพุทโธผูกไว้กับคําบริกรรมพุทโธมีสติเป็นตัวสังเกตไว้กํากับไว้อีกชั้นหนึ่งมันก็เลยผูกกันอยู่ได้ตอนนี้ความรู้สึกตัวไม่หลุดออกไปเราก็อ่านใจเราขาดได้ตลอดเวลาว่าตอนนี้ยังรู้สึกบริกรรมพุทโธในความรู้สึกตัวอยู่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธตัวอ้าเผยอีกแล้วทิ้งความรู้สึกตัวไปคิดอะไรเพลินไปเลย อดีตอนาคตคิดถึงคนค น, นั้นคนนี้คนนี้ <c oughs> <fruit. S 2> ลืมนะลืมรู้สึกตัวยอยู่คำ บ, บริการพุทโธแต่หลงคิดอะไรไปอย่างนี้เรียกว่าหลงท่านหลงอย่างเนี้ยต้องตัดความหลงขาดสะ บ, บัน้นแล้วกลับมาให้รู้สึกตัวอยู่กับค <After> ํา บ, บริการพุทโธอย่างเดิมทันทีอย่างนี้เรียกว่าหลงต้องตัดกลับทันทีเลยเข้าใจไหมนี่กรณีแรกกรณีที่สองคือกรณีที่เขาไม่ได้หลงเขาไม่ได้หลงทิ้งความรู้สึกตัวไปคิดอะไรก็รู้สึกตัวอยู่คำบริการมพุทโธนะี่ย แต่ขณะที่รู้สึกตัวอยู่ค บ, บริการพุโทโธสังเกตได้ดีๆว่าผู้รู้สึกตัวอยู่เนี่ยมันคิดอะไรอยู่ในใจตลอดเนยมันไม่มีหยุดหรอกนะเนี่ยเช่นว่าเออเราเราไม่หลงกันเนาะเออไม่หลงเลยเออยู่เรารู้สึกตื่นตั้งนานยังไม่หลงเลยเนี่ยเอ๊มันไม่หลงอะไรเลยเ อ, อย่างนี้ปะได้ถูกหรือเปล่าเนี่ยทําอย่างนี้เออสงสัยจะถูกถ้ามันรู้สึกตัวอยู่น่าจะถูกออน่าจะถูกเออพอรู้สึกตัวปุ๊บโอ้มันเบามากเลยนะเนี่ย เวลาเราไม่หลงอะไรเราพุทโธได้ความรู really ้สึกตัวเ็อร no e ู้สึกมันเบามากเลยมันจะพูดอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยพูดอยู่ตลอดเลยทั้งคืนทั้งวันเนี่ยถ้าเราดูเรารู้อยู่เนี่ยมันจะพูดตลอดเลย้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันพูดได้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธุทธไอความรู้สึกตัวอ้เราเบามากเลยคราวนี้เบาไม่เคยเจอความเบาอย่างนี้เลยอ้มันสงบจริงนะไม่เคยสงบแบบนี้เลยทํำไมสงบมันก็พูดดิเออมันทําไมไม่สงบเลยมันจะพูดอยู่งงงงงงงงงงงงงงงงงกงงงงงงงงงงงงงงงง แน่ๆเขาเรียกว่าจิตไอ้ความรู้สึกตัวที่ไปไปรู้รู้ลําพูดได้เนี่ยที่ไม่รู้ไปรู้พูดโทได้ความรู้สึกตัวเนี่ยไอ้ไอ้รู้เนี่ยเขาเรียกว่าจิตจิตเนี่ยมันพูดได้มันไปรู้ลําก็พูดได้เี้ยแล้วก็สั่งตะรู้สั่งต่วันรู้รึกซื่อจิตปัจจุบันที่มันมันพูดได้แล้วก็รู้ซื่อๆเรื่อยไปแล้วจะไปทําอะไรกับเขานะปล่อยเขาพูดไปเถอะแต่เราจะไปทําอะไรกับเขาแต่ถ้าเราไม่รู้สึกตัวหลงไปคิดอันนี้ต้องตัดกับทันทีต้องต้องแทรกแซงทันทีเลย แทรกแซงให้กลับมาเป็นปกติให้รู้สึกตัวแต่ถ้าเรารู้สึกตัวอยู่อย่าแทรกแซงคือถ้าเราพุโทโธด้วยความรู้สึกตัวอยู่อย่าแทรกแซงให้สังเกตเห็นแต่เพียงว่าเนี่ยไอ้พูดรู้สึกตัวเนี่ยมันบริกรรมด้วยความรู้สึกตัวแต่มันพูดได้มันพูดอยู่ในใจคนเดียวได้เข้าใจไหมเนี่ยมันมีสองขั้นตอนนะไม่เหมือนกันนะถ้าหลงต้องรู้สึกตัวกันมาก่อนแต่มีอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้ามันทิ้งความ มันทิ้งความรู้สึกตัวอยู่กับคําบริกรรมพุทโธแล้วหลงไปเนี่ยหลงไปเม ε, ื่อเผลอเผลอไปเนี่ยมองอะไรเพลนมองมองฝั่งโน้นเผลนแม่น้ําฝั่งโน้นแม่น้ําไหลเผลนเมื่ อ, อ, อ, ลอ ơ, แล้วก็ลืมละลืมคำวิริกรรมพุทโธละหรือว่าเมื่อคิดอะไรไปหรือเมื่อมองอะไรไปอย่างเงี้ยตกเรียกวงาตกจิตออกนอกอย่างเงี้ยแล้วเราก็พอรู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาเลยรู้สึกตัวว่าเมื่อกี้มันหลงไป แต่เราต้องจดจําเรียนรู้ให้ให้มันจําได้ให้จิตมันจําได้ว่าบอกกําชับมันว่าเนี่ยกรณีอ ย, ย่างเนี Diamond, ้เม่อเผอเผลนสติขาดอย่าเม่อเผอเผลออย่างนี้อีกสอนจิตมันให้เรียนรู้แล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็บริกรรมบริกรรมพุทโธพุทโธได้ความรู้สึกตัวแล้วก็สอนจิตมห้เรียนรู้ว่าเนี่ยความรู้สึกตัวอยู่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้จําไว้จําไว้จำไว้ะ เดี๋ยวแป๊บเดียวความรู้สึกตัวขาดเมื่อไปมองแล้ยมีเรืออะไรสวยๆผ่านมาเมื่อมองน้ําเนี่ยแต่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยานี่มันสดชื่นจริงๆเลยอากาศสดชื่นอ้าวทิ้งความรู้สึกตัวไปอีกละอ่ะนี่ก็รู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยอีกตอนที่มันเหมื่อเมื่อไปเนี่ยว่ามันอีกว่ะนี้่เมื่อกรณีอย่างเนี้ยเม่อเมื่อเมื่อเผอเพลินสติขาด แล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาพุทโธพุทโธในความรู้สึกตัวแล้วก็บอกมันอีกว่ากําชับมันอีกว่าเนี่ยให้รู้สึกตัวอย่างนี้รู้สึกตัวอย่างนี้รู้สึกตัวอย่างนี้บริกรรมในความรู้สึกตัวอย่างนี้รู้สึกตัวอย่างนี้เดี๋ยวไม่ช้าหรอกมันจําได้จิตอ่ะมันฉลาดกว่าหมาแมวหมาแมวเราเราบอกมันบ่อยสอนได้บ่อยดุได้บ่อยมันก็จําได้ว่าเนี่ยโดนดุโดนว่ามันก็จะรู้สึกตัวเราก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วจะนี้ไม่หลงแหละรู้สึกตัวเนี่ยขั้นตอนแรกพอรู้สึกตัวแล้วตอนเนี้ยก็หฮสเกต แต่เนี่ยสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจตลอดเวลาสติตั้งที่ใจตั้งที่ใจเลยมันพูดอะไรอยู่ในใจตลอดเวลาเลยพูดไอ้วูรู้สึกตัวเนี่ยมันพูดอะไรอยู่ในใจตลอดมันไม่มีว่าไม่มีหรอกที่จะไม่พูดมันพูดอะไรมันตลอดงงเงี้งุเง้ยรู้สึกตัวจริงไหยเออคราวนี้เรารู้สึกตัวได้แล้วเรารู้สึกเต็มเป็นแล้วเนาะเนี่ยมันก็จะพูดงงเงงุเงี้ยพูดอยู่คนเดียวแล้วก็สักตะวัรู้นะตรงเนี้ยต้องรู้สึกซื่อเลยรู้สึกซื่ออย่าแทรกแสงผมไม่หลงแล้วต้้้ออองรรููซซืื่่ รู้ซื่อๆรู้จิตซื่อๆทุกขณะปัจจุบันแล้วถ้าเนี่ยถ้ารู้ซื่อๆเนี่ยเออเป็นทางแห่งมรรพานหรือรู้ซื่อๆเนี่ยแหละจะเป็นเหตุให้บรรลุมรรพานเพราะว่ารู้ซื่อๆเนี่ยคือสติปัญญารู้ซื่อๆเนี่ยแหละคือปล่อยวางรู้ซื่อๆอะไรก็คือรู้ซื่อๆรู้จิตซื่อๆเนี่ยรู้จิตซื่อๆปัจจุบันเนี่ยรู้จิตปัจจุบันซื่อๆรู้เข้าใจไหมอย่างเงี้ยเออเหมือนกับอย่างเงี้ยเวลาเราวางของไว้เนี่ยบางทีเราวางกระเป๋าถือวางอะไรแล้วเราก็ควจะลืม เราก็วางไว้เมื่อเราวางกระเป๋าถือวางกระเป๋าตังไว้อะไรเนี่ยเราไปเข้าห้องน้ำเราวางจะเป็นต้องวางไว้เงี้ยหรือว่าเราจะเราจะวางอะไรวางไว้มีคนจําเป็นเนี่ยเราวางไว้ถ้าเราวางปุ๊บเราก็เราเดินไปเลยเงี้ยบางทีเราลืมถ้าเราวางไว้นล้ววางปุ๊บเราก็ไปทํานู่นทำนี้เลยแล้วที่เราวางไว้แล้วเราผหานทิ้งจำไม่ได้เราวางอะไรไว้ตรงไหนวางโทรศัพท์มือถือวางปุ๊บเราก็ไปนู่นไปนี่เลยบางทีหาโทรศัพท์มือถือไม่เจอว่าโทรศัพท์มือถือไปวางตรงไหน วางแว่นตาอ่ะเอาแว่นตาไปวางตรงไหนหาไม่เจอแหละแต่ถ้าเราวางตรงไหนเนี่ยแล้วเราก็บอกคำกับไว้ว่าแว่นตาอยู่ตรงนี้นะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเนี่ยโพสศัพมือถือวางไว้ตรงนี้นะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมจิ๋มมันก็ไม่ลืมนะมันก็ไม่ลืมจริงๆด้วยแหละเหมือนคนที่ไม่มีนาฬิกาปลุกแต่พวกเราบอกว่าต้องตื่นมาสวดมนต์ตอนเช้าเวลานั้นเวลานี้ถ้าคนไหนไม่มีนาฬิกาปลุกเราก็สั่งว่า ต้องตื่นมาตรวจบนเช้าเวลานี้นะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมต้องตื่นต้องตื่นต้องตื่นเดี๋ยวมันก็ตื่นเองนะยไม่เชื่อลองดูไม่ต้องเช้ค น, นาฬิกาปลุกมันจะตื่นเลยจิตเนี่ยสั่งมันได้อสั่งมันได้บอกมารู้ตัวอยู่อย่าล้มมือเพ้อเพลินหมารู้ตัวอยู่อย่าล้มมือเพ้อเอิเดี๋ยวมันรู้ตัวเลยเข้าใจไหมพระอาจารย์คะแล้วอย่างที่บอกว่าเรากลับมารู้ตัว รู้จิตซื่อๆอย่างเงี้ยค่ะว่าจิตเรามันกําลังคิดอะไรอยู่ตอนนั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราคือพอเรากลับมารู้จิตซื่อๆอย่างเงี้ยเรารู้รู้รู้ว่าจิตเราคิดอะไรอยู่มันก็เหมือนมันยังมีตัวอะไรอยู่เราต้องวางจิตอีกไหมคะพระอาจารย์คือเหมือนจิตนี่มันก็ยังเป็นเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างเงี้ยค่ะพอาจารย์เนี่ยเราก็รู้ว่าจิตนั้นแนหะเป็นซื่อที่เรารู้สึกว่าจิตเป็นตัวเป็นตนน่ะเราก็รู้ว่า รู้ไอ้ผู้รู้นั่นแหะซื่อซื่ออือค่ะไอ้ผู้รู้ที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นแหละเราก็รู้ไว้นั่นหรือไงนั่นแหละถ้าเรารู้สึกกับเป็นตัวเป็นตนแสดงว่ามันเป็นตัวปรุงแต่งเราก็รู้ว่าตัวเนี้ยซื่อซื่อไอ้ตัวที่ผู้รู้ที่รู้สึกเป็นตัวเป็นตนน่ะเราก็รู้มันซื่อซื่อค่ะเราจะรู้ซื่อซื่อได้ไงเพราะว่าเราเห็นว่าไอ้ผู้รู้ที่มันรู้สึกเป็นตัวเป็นตนอ่ะเราต้องเห็นว่ามันเป็นสังขารปุงแต่งค่ะเพราะมันปรุงแต่งรู้ไว้ออืก็มันถึงจะยอมปล่่่่่อออยยวววาาาผผูููููู้้้้้้รรรรนนััทีีีเคคกกพบ็ืต รู้สึกรู้เนี่แหละค่ะเนี่ยตัวเราที่ไปปรุงแต่งรู้ไว้หรือตัวเราที่ไปรู้สึกไว้นแบบ่คือเอาตัวเราเนี่ยไปพยายามรู้ไว้ไอ้ตัวเราที่พยายามรู้ไว้อ่ะมันไม่เป็นรู้หรอกไอ้นี่ยมันเป็นตัวปรุงแต่งค่ะแล้วต้องปล่อยวางที่เขาเรียกว่าบพบผู้รู้ฆ่าผู้รู้หรือต้องปล่อยวางไอ้ตัวปรุงแต่งนี่ค่ะ